มก็ขอเอาการคณะสงฆ์ฉลององญาติยมตุ้ตั้นกับก็ <c oughs> ามสลายนะครับวัาตามาก็ได้เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ ท, ที่ตามมาเกิดแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเป็นหลายปีแล้วก็มาเมืองไทยวด เป็นปฏิสุขสมอยู่ที่สุกับโตที่นี่ก็การนี้ก็ไปม า, าเดินขึ้นก็การที่หังจากการท sunami ที่ญี่ปุ่นเป็ออนเดินวันที่สิเบเอ็ดมีนาก็เกิดขออึ้น รานจากนั้นก็เป็นปฏิเหตุของเนื้อเคลียสถานที่ออกละลายไปหลายที่ก็ก็ได้รับผมจากาการ เหตุก็มีคนตายคนตายกันจากสุนมิก็ได้สอมมือก็คนได้อาจจะเป็นสามมือก็เสียชีวิตกันแล้วก็หายไปคนจะยังอยู่ในท <c oughs> ะเลหรือว่าตายาดินก็ได้ แต่การนี้อัรมาไปก็ไปตามการนิมน้มมจากาสถานที่ต่างๆที่ให้ธรรมาสนทนาธรรมะแล้วก็สอนการเจริญสติก็ได้ สี่สิบห้าแห่งประมาณสิบห้าแห่งขอคนอที่ก็มีคงเขาร่วมขอก็ถ้ามากก็ร้อยก็คมถ้าน้อยก็ยี่สิบคนเข้ามาฟันธรรมะกันแล้วก็ก็เจริญสติ ที่เราก็ได้ปฏิบัติกันอยู่ก็คิดว่าเป็นได้ผลดีคอนที่เครียดก่อนที่กำบนใจก็กลายตัวทางไหลทางใจก็ก็สบายขึ้นถ้าเป็น สิ่งที่เป็นดิ่งเป็นดิ่งไหวหรือว่าตรง น, นี้ก็นอกจากคนตีได้ประสบภัยก็ได้ฟังข่าวดูทีวีก็ก็เสีย อารมณ์ทุกใจกันมากถ้าเราไม่ได้รักษาตัวแก่ฟันได้ยินข่าวดูข่าวก็ได้กระทบกระเทือนแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นบ้างกำบลน เกิดขึ้นหรือว่าความครัวดีตกแล้วก็ความโกรธทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดสารพัดกรนนี้ก็เป็นความคิดนั่นแหละเป็นที่นำให้เรา ตันตกินอนาคตกรรมบนใจไปเรื่อยๆก็ลืมตัวลืมปัจจุบันลืมอ่าสติก็สารเรื่อนเป็นลาวไม่ว่าไม่ได้อ่ากระตบกระเทือนอ่า จากสถานที่สุนามิหลายร้อยกิโลก็ได้รับความทุกข์ได้เพราะว่าเราก็ดูข่าวข้อมูลต่างๆแล้วก็คิดรมบนใจอันนี้ก็จจะเป็นเรื่องธรรมดาของเราแต่ว่า คนที่รู้จักรักษาตัวตัวกายตัวใจก็ไม่ทนทุกข์กมากก็ได้แล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้นก็ทุกกับเวทนาเพราะว่าเราก็สัมผัสโคมูลทานตาฟู แล้วก็กลายเราก็รู้สึกทุกต่างใจได้เป็นเบทนาทุกเรธนาถ้าเราลืมสติไปก็กิจกรรมบนใจเปความกลัวความกุศ สุขกุ่มใจแล้วก็ก็ความโกรธก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไปย า, ยามรักษาตัวยอมรับรู้สึกสติก็ดูกายดูใจตอนที่เราก็ทุกข์กรเบินาเกิดขึ้น ก็เราก็รู้สึกตัวจริงๆแล้วก็ดินน้ำลมอ่าดินน้ำไฟลมนี่ก็เป็นธาตุสีนี้ <c oughs> ก็มันมีพลัง <c oughs> บันทีก็ดินก็เป็นดินไหวน้ำก็สูนามิ ไฟก็ไฟไหม้แล้วก็ลมก็เอานืเคลียรประมณูไปเผยภัยแผ่ก็เราก็ได้ประสบการณ์พลันของโลกพลันินน้ำลมฝายนี้ก็ ถ้าเราก็ใช้ไม่เป็นก็ป้องกันไม่ได้อาจจะเป็นตายแต่ว่าถ้าเราก็ใช้เป็นอาจจะเป็นพาลันเพื่อให้เกิดไฟก็ได้แล้วก็จิตใจของเราก็มือกยกัน ายก็บานทีก็อุ้มไว้วมไว้แล้วก็ความกรอบมันใจล้อมไปอารมณ์ก็เสียไปแล้วก็จิตใจมันถูลีกิแดเป็นศกระปรอไป อันนี้ก็เป็นยานนึ่งเป็นนาการของจิตถ้าเราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนั้นนี่ก็มันเป็นทำลายมันทำลายเราทำลายชีวิตแล้วก็อาจจะว่าด่ากันทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนอื่นด้วยหรือว่า ถ้าเรารู้ว่าอันนี้ก็เป็นอาการเฉยๆทําเป็นความโกรบเป็นอาการให้รู้สึกตัวรู้จักก็กลายไปเป็นเป็นปัญญาก็ได้ว่าเป็นคิดอย่างนี้ก็ทุกอย่างนี้แล้วก็อารมณ์หลายยาน ก็เราก็ยอมรับมันว่าเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนามาเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับไปตัป้งนาคานเฉยๆก็เราก็มาใช้เป็นประโยคต่อชีวิตได้มาดูว่าเป็นอาคามเป็นอย่างนี้เป็นอณิจจังอนัตตา มันเป็นทุ ก, ทกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องให้เป็นเป็นทางหารประธานไปก็เราก็ามาเป็นบทเรียนว่าเป็น มันมเหมือนกันหรือว่าเป็นตุลีกีเดของจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราก็รู้สึกแล้วก็เข้าใจให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเขาเป็นปัญญาได้ถ้าเรารู้จักว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทุกคนเป็นคนมนุษย์ก็เกิดตาการ เป็นทุกข์แล้วก็มีสาเหตุความทุกข์ก็เราก็เป็นปัญญาด้วยแ ล, วแล้วก็เราก็เอาใจเอาใส่เอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกังว่าเป็นทุกข์เป็นโมหะเป็นความเป็นนบิชาเป็นทำให้เกิดทุกข์ ตางหาปัตตานททำให้เกิดทุกข์ก็เป็นอย่างนี้เป็นอาการมันเกิดขึ้นเป็นโสมนัสโสมนัสเป็นสารพัอาคารจิตใจเป็นบุงเบียนการเป็นวัตฏะเป็นได้ก็เราก็ให้รู้มันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ คุณไ จิตใจของชีวิตของตัวแอนไปก็เราก็มีสติก็คนที่มีสติก็มีสิทธิที่จะเลือกเลือกว่าืมแล้วก็ให้ทุกไปสร้างทุกไปเรื่อยๆหรือว่าเลือกทำให้เป็นอาการ เป็นบทเดียมเป็นปัญญาแล้วก็ให้เกิดมีตากรุณาโตเพิ่มมนอะได้นี่ก็เป็นคนที่มีสติก็คนที่มีสิทธิที่จะเลือกนี่ก็คนที่มีสติตัวกายรู้ใจรู้เข้าใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน เราไม่ต้องคิดกรรมบนเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็เพราะว่าเราก็เห็นมันอาการเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเรารู้มีสติก็เข้าใจชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ยึดถือเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ไม่ต้องหา ผวจารามรณะเพราะว่าจารามรณะก็เพราะเกิดพะชาติมันเกิดก็เลยเกิดจารามรณะแต่ถ้าเราก็รู้ไปไม่ได้สร้าง ้แล้วก็เป็นอาการเฉยๆอาการนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเป็ น, เ ป, น เ, เป็นเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับ รอนดูก็รู้เข้าใจมากขึ้นก่อนที่คิดกันบบนอเรื่องสึนามิอันยุครียนี่นก็ไม่สนทุกข์มากเราก็ทำ ด, ดีไปเรื่อ ย, อยก็ทำดีก็ได้ดีทำเชื่อก็ได้เชื่อเป็นกรรม กฎกรรมทำดีก็แล้วก็รู้อยู่ทางกายทางวาจาทางใจผู้ที่ศึกษาปฎิธรรมก็รู้ก็ลงมือปฏิบัติทำแล้วก็รู้จักทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็แล้วก็ อารมณ์ปฏิบัติไม่ให้ทำชั่วไปก็ปจิตใจก็มันเป็นสุขดีเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปบังนเท่าไปบันทีก็มีคงปฏิบัติก็ถ้าปฏิบัติไม่ถูกทน กอคิดกำบนเรื่อนอานิพพานเรื่องอ ก็จะทุกไปอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกทางบางทีก็เราก็ทำาว่าด่าตัวเองหลายกองวาดดูตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันว่าตาว่าด่าตัวเองไปมันดูเฉยๆไม่ได้ เห็นมันไม่ได้ก็ว่าด่าตัวเองนี่ก็มันไม่ถูกต้องมันดูเฉยๆหรือว่าเห็นเฉยๆนี่ก็ให้เตือนตัวไม่ได้หยุดมั่นถือมันไม่ได้เพ่มโออยกับปัจจุบันนี้ อาการต่างกายเกิดขึ้นยังไงอาการทางใจเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เปลี่ยนเปลงยังไงดับไปยังไงก็ดูไปเรื่อยๆไม่ว่าเป็นอาคารบวชแล้วก็หลบก็ดีก็แก้อาการของใจแล้วก็ให้รู้ อ๋ oh. ชีวิตของเราถ้าเรากอา็อยู่ในโลกนี้วก่อนจะเกิดสัมผัสต่างหูจำูกริ่งกายใจตาตาหูจำกริ่งกายใจแล้วก็คนจะเจอเหตุการณ์ ตัวเองตัวกายตากายทุกข์ก็บางตอไปถ้าทุกข์ตามใจก็ให้ปล่อยตัวปล่อยไปไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นกับทุกข์นี่ก็ก็ปลอยไปสิ่งที่อะไรเกิดก็ ีอะไรเกิดเรื่อยู่ที่ด้านในด้านนอกบางเหตุการณ์หรือว่าข้อมึงเข้าสารเขาสัมผัสเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่เราก็ก็ให้มีสติได้แล้วรู้จัดเลือกได้แล้วก็เป็นเจ้าของของชีวิตไม่ใช่เป็นทาสของ อารมณ์ต่างๆเป็นรูปรถตาปะกิ้งธรมารมก็ดีก็อะไรไม่ใช่เป็นถาของมันไม่ใช่ยึดมันถือมั น, มนกับมั น, มนก็สิ่งอะไรเกิดขึ้น คิดว่ า, าคนญี่ปุ่นที่ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติรรการชำฌานสติหลายคนนี่ก็ได้ผลดีเพราะว่าเขาบอกว่าเอาถอกมันกนลดลมไปนั่งกายก็สบายขึ้น สติเกี่กับปัจจุบัขนขณะไม่ได้กังบนเรื่องอนาคตไม่ต้องเจ็บใจเรื่องอดีตสิ่งอะไรคือกึ้นก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติตามเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจจุดนี้ก็ก็ทุกนี้ก็ค่อยๆหายไปมันไม่ใช่ ความทุกข์นี้มาจากด้านนอกมันเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่ว่ามันความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าเรารับรู้จักการรักษาก็ไม่ว่าเป็นสิ่งที่บางปฏิเหตุอะไร เกิดขึ้นก็ก็คงไม่เป็นไรเคสว่านี่ก็คำสอนพระพุทธเจ้านี่ก็มันริเสิรได้ทุกคนก็คนที่เป็ น, นหล่นในทกุก็กลายเป็นหายทุกแล้วก็มีสุขเกิดขึ้น ก็เป็นอ่าเป็นติริตของธรรมะก็การจันสติที่ของเรานี่ทำนี่ก็ก็รับรองว่าได้แน่หายทุกได้แน่ก็หลายคนไม่ใช่เป็นคนไทยคนญี่ปุ่นของพลันคนผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็ไม่เขียว คนที่ลงมือปฏิบัติทำทุกกล่องก็ได้เป็นอาการิีโกได้แห็นได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลทันทีถ้ารู้แล้วก็หายทุกรู้แล้วหายทุกก็มีสติเป็นที่ เป็นคุศลได้ ส, สุดนะครับก็คิดว่าพอสมควรในเวลาในกาี้ก็ขอให้ทุกๆคน จ, น, จนจะเดินจนเจริญความาจเจริญสติให้เกิดปัญญาให้เกิดสุขที่สุดทุกๆคนเติรป